ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเชิงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนําเสนอประวัติพระโมคคัลลานเทระอยู่วันก่อนได้พูดมาในโมคคัลลานสูตรตอนที่พระเทระหมดแล้วได้เจ็ดวันก็ไปบําเพ็ญเพียรยู่ที่ หมู่บ้านกาลละวามุตคามแวงกรุงราชคฤห์แฝงแคว้นมคตนะครับตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เพศกาวันแคว้นสุสุมารกีรักซึ่งก็เป็นเมืองนะครับเป็นนครสุสุมารกีรักในแคว้นพัคขะตึ้นอยู่ห่างไกลกันมาก แต่ทรงทอดประเนตเห็นโดยทีประจักษุวา่าพระโมกขลานะกะมังคมเป็นพียรอยู่ที่หมู่บ้านกะลาวามุตคามกะมังงกง่วงอยู่ก็ทรงหายไปจากป่าเกษกลาภมิคายายวันใกล้สุ ม, มาละกีรานครแควนปักขะ ไปปรากฏต่อหน้าพระธีระรัรับสั่งถามท่านพระเีระก็กราบทูลในสงสารถึงการที่ท่านถูกความง่วงครอบงำผู้เจ้าก็ทรงแสดงอุบายวิธีแก้ ง, ง่วงหลายข้อด้วยกันประมาณแปข้อแต่พระเทระต่อจากนั้นได้ทรงประทานพระโอวาทถึงถือว่า มีความสำคัญแล้วก็เหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยแม้ในปัจจุบันนี้ถือหมายความว่าใครก็ตามที่มีชีวิตยอยู่นั้นจะต้องมีหลักธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการคลองประคองชีวิตของตัวเองให้ดำเนินไปในทางที่ชอบที่ควรรับสั่งว่า ดุก่อนโมฆลานะประเดัแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้อีกว่าเรจาจกไม่จูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลดุกรอนโมฆลลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลถ้าพิสูจนุงงวงเข้าไปสู่สกุล และในสกุลมีกันยากิจอย่างหลายอย่างซึ่งเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ได้ใส่ใจถึงภิกษุผู้เข้ามารเราะนั้นภิกษุย่อมมีความคิดจัางนี้ว่าเดี๋ยวนี้ใครหน อ, อยุยงให้เราแตกในสกุลนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์พวกนี้มีอาการอิจฉาราใจในเรา เพราะไม่ได้อะไรเธอจึงขพินเป็นผู้เก้เอเขินเมื่อเก้อเขินย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านย่อมไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตย่อมห่างจากสมาธินี่ถือว่าเป็นประเด็นหลักคือว่าการที่เราจะเข้าไปในสถานที่ใดก็ตามเป็นพระไปในวัดใดวัดหนึ่งก็ตามเป็นชาวบ้านไปในบ้านใครก็ตาม อย่าชุงงวงคืออย่าคิดว่าเราใหญ่อย่างนั้นใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างโน้นเมื่อเห็นเราแล้วทุกคนจะต้องออกมาต้อนรับแสดงความบ่อน้อมเช้ดเิดเหนือศนะต้อนรับโดยน้ำท่าต่างๆที่นั่งก็จะต้องแสดงให้เห็นึ่งความยิ่งใหญ่ของเราเป็นต้นลักษณะาการชุงวงในแนวนี้ จะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าการที่เรานิ่งโ p r o c e ไปที่บ้านเขาหรือแม้บางครั้งเวลานี้เราก็มีโทรศัพท์ติดต่อบอกกล่าวจะมาเยี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืม่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมคนทุกคนไปเยี่ยมคนคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองเวลาที่นัดหมายอาจจะมีแต่ว่า โอกาสที่จะไปตรงเวลานั้นก็คงจะยากก็ในขณะที่ไปถึงนั้นเจ้าของบ้านเขาอาจจะมีภารกิจติดพันอยู่ไม่ได อ, อกมาตอนรับเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธรู้สึกน้อยใจตัวเองหรืออาจจะคิดเตลิดเปิดเบิงไปว่ามันมีคนยุโยงปลูก ป, ปันให้ คนบ้านนี้มีความรู้สึกไม่ดีต่อเราไม่ต้อนรับเราไม่ให้เกียรติเราตามสมควรหรือบางครั้งในขณะที่ต้อนรับเนี่ยเขาก็มีเวลานิดหน่อยท่าน น, น่ะเองแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าผมมีเวลาอยู่ประมาณสิบห้านาทีท่านจะว่าอะไรก็ว่ามา เพราะว่ามีธุระจะต้องออกไปข้างน อ, อกล้วก็จะรู้สึกว่าจะบ้านรังเกียจไม่พอใจที่จะต้อนรับเราแน่เวลาก็ไปจำกัดจำเขีย่ยเอาไว้เพียงสิบห้านาทีเท่านั้นถึงว่ากันตามความเป็นจริงถ้าเราต้องการจะมีธุระนี่สิบห้านาทีมันเยอะเหลือเกินนะมันเลือเฟือ ถ้าเราตัดประเด็นรุงรังต่างๆออกไปเนี่ยมันไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องพูดกันถึงสิบห้านาทีหรอกนี่ก็เป็นเหตุใหเราเสียใจเราโกรธเจ้าของบ้านก็ได้บางครั้งบางคราวเราไปในโอกาสที่ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานดูคนเหล่านั้นก็ไม่มีใครออกมาตอนรับเพราะไม่รู้ หรือเพราะรู้ก็ไม่มีใครที่จะออกมาพร้อมๆกันได้งานมันขามือมันติดมืออยู่ก็ก็ต้องทำงานเราเข้าไปแล้วในสุดเราก็จะรู้สึกน้อยใจเพรา ะ, ะนั้นก็ต้องไปอย่างคนน่ะไปอย่างคนคนหนึ่งไปอย่างแขกไปที่บ้านคนอื่นอย่างหนึง่งเขาจะต้องรับอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราก็ทำหน้าที่ของแขกให้ดีเท่านั้นเองในหลักการพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามีวัดคือข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าชินแล้วก็สำหรับอาคันตุกะคือแขกที่ไปสู่วัดอื่นต่างคนต่างก็มีวัดปฏิบัติสำหรับตัวเองวางท่าทีตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมแก่ฐานะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ในฐานะที่เป็น อาคารทุกกะเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เกิดขนอย่างในกรณีนี้เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าคงจะคงรู้นะฮไม่ใช่คงจกักหรอกคงรู้ว่าายาสัยของพระโมคคัาลล า, านั้นคือท่านสมบูรณ์ทุกอย่างท่านเป็นลูกมหาเศรษฐี เป็นลูกไหนบ้านเป็นลูกพระมหาศารมีความรู้แตกฉาในในสายเพศเวททางกษัตริย์มันก็เป็นคนสำคัญนะนะในแง่ของสังคมลนะ้วก็ถือว่ามีเป็นคนสำคัญไปไหนมาไหนก็ต้องมีเกียรติยศมากมาย ก, กายกองทีนี้ถ้าไปเจอไปสิ่งที่เคยได้แล้วไม่ได้ คนเ่านี้จะรู้สึกไม่พอใจผลการชัดเจนในตัวเองว่าเราเป็นใครมีฐานะมีหน้าที่อย่างไรเรามาในฐานะอะไรแล้วเราเพื่อประโยชน์อะไรก็ทำยังไงก็ตามก็ให้สำเร็จประโยชน์ ทีนี่การเป็นพระไปบินธบาตคือสมัยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีโยมรับอุปถรรัมเป็นใายรายไปอาจจะหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปหกรูปก็แล้วแต่ละแต่อย่าลืมว่าคนแต่ละคนนั้นมีภาระหน้าที่ เช่นสมมติว่าน้าตด้พระไปรับพระตาหารตอนโมงเช้าปรากฏว่าทางบ้านก็ตื่นสายถึ่งลุกขึ้นหุงข้าวก็ทำอะไรก็ยังไม่ทันยังไม่เรียบร้อยก็นิมนต์ให้รอไปก่อนแต่บ้านก็จะออกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้ารอก่อน ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยรอก็รอเนะเพราะมันจะมีหลักอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดุกกิญญาพิสูจน์ทั้งหลายบัณชิตควรพิจารณาหนึ่งเรื่องว่าชีวิตของเราเนื่องโดยคนอื่นเราควรทําตัวขอเลี่ยงง่ายอยู่ง่ายบำรุงง่ายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา คนนี้พึ่งดูตัวอย่างพระพุทธเจ้านางปุณณธาสีแก่ทำแป้งกับมือนะเอาแป้งธรรมดาเนี่ยก็เดินตกแป้งไปแล้วก็ปิ้งพอทำกับมือไม่มีอะไรเจือปนหรอกไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาอยากจะตักบาตรทำบุญแต่ก็มีอยู่แป้งแต่น่ะเด็กก็แสดงอาการที่จะตักบา แต่เกิดความคิดว่าเอพระพุทธเจ้าจะรับหรือหรืออาจจะรับแต่ว่ารับแล้วท่านก็ไปฉันที่บ้านที่วังพระราชาที่บ้านเศรษฐีที่บ้านพระมหาสารก็คงจะไม่เสวยแป้งที่เราถวายหรอกพระเจ้าก็รู้ความคิดรับบาตรจากรับแป้งจากเธอแล้วก็ประทับตัวนั้น แล้วก็นั่งสเสวยทรงนั้นจนเสร็จในหน้นางปุณณาศีได้เห็นจะส่งอนุมัต น, นาอะไรก็จากไปนั่นก็แสดงว่าพุเจ้าก็เป็นต้นแบบให้เราอยู่ให้เราดูให้เราเห็นว่ากชารใช้ชีวิตจะต้องมีลักษณะเรียบง่าย อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนใหญ่คนโตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นอย่างยกตัวอย่างว่าพระเวินัเนี้ยที่เขาเรียกท่านจคุณขึ้นไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเรียกพระเดชประคุณถึงจุดหนึ่งเรียกว่าเจ้าประคุณถึงจุดหนึ่งเรียกว่าเจ้าประคุณก็มันรู้สึกอัตตาเขื่องขึ้นไปอัตตาคื่งขึ้นไป เพราะตำแหน่งเหล่านี้เวลาไปเทียบกับชั้นยศสมัยโบราณเนี่ยมันใหญ่นะครับเจ้าราชาคณะมันก็เหมือนกับอะไรละเหมือนกับขุนนะขุนในสมัยโบราณแล้วก็จันราษก็เหมือนกับหลวงจันเทพก็เหมือนกับคุณพระจันธรรมก็เหมือนพระยา ฉันในรัฐยาบายาดัดก็เหมือนกับ เ, เ, เจ้าพรยาฉันสมเด็จก็เหมือนกับสมเด็จสมเด็จเจ้าพรยาเพราะเดินทีเดียวเขาก็ตั้งมาโดยโครงสร้างตรงนี้แต่ว่ายศตตำแหน่งเหล่านั้นเขาเลิกหมดแล้ว่แต่ก็เรายังมีอยู่ที่ที่เราเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นก็คือเป็นพระเป็นพระเท่านั้นเอง ยศอะไรก็ช่างมันเนี่ยยศมันใช้กันในหมู่พระแล้วก็เวลานั่งในพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะในราชพิธีก็นั่งลดหลั่นกันขึ้นไปตามลำดับสมณสัตว์ใครเป็นก่อนเป็นหลังถ้าชั้นเดียวกันก็ใครเป็นก่อนเป็นหลังแต่ต่างชั้นก็ลดหลั่นกันลงมา ระดับราชาคณนะชั้นสามัญเขก็จะเรียงตามลำดับป ร, รียนใครป ร, รียนสูงก็นั่งข้างบนแม้จะเป็นทีหลังป ร, รียนต่ำก็นั่งลดหลั่นกันลงมาชั้นราดก็นั่งตามลำดับที่เป็นชั้นเทพก็นั่งตามลำดับที่เป็นชั้นธรรมก็เหมือนกันตั้งนั่งตามลำดับปีที่เป็นก็เป็นเรื่องสมมติบรรยยัญญัติก่อนคิดนั่ง าชาณิรันธยาบาทอาจจะไหวราชาคณาสามัญไปก่อนเพราะว่าปัญษาท่านมากกว่าแต่ว่าพอขึ้นไปนั่งมันก็ทำเนียมหลวงเราก็ปฏิบัติตามก็ท่านนั้นเองแต่เราก็ให้ความสำคัญแก่พระวินัยเป็นเรื่องใหญ่พวินัยเป็นยังไงอ า, อาจจะเจอหลวงตาอย่างเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุดประสติยารามเนี่ยท่านเป็นสังฆราชเจ็ดทก์เจ็ดปีนะฮะ เวลาไปในที่ใดท่านยังมองซ้ายมองขวาโพระเถนระเ ร, ะรูปใดอาจจะเป็นหลวงตาก็ได้อาจจะเป็นพระครูก็ได้อาจจะเป็นราชคณะกก็ได้ที่มียวุโสเหนือกว่าท่านท่านจะเข้าไปกราบก่อนแล้วก็จะขึ้นประจำตำแหน่งในด้านสมณศักดิ์ต่อไปก็ไปกราบเพื่อจะขอโอกาส ทำหน้าที่อีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้คือลักษณะของการไม่ชูงวงคือไม่ถือตัวเข้าไปสู่สกุลไปเรียบเรียบง่ายๆทีนี้ถ้าหากว่าเราเกิดเราเกิดชูงวงแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกก็ปรุงแต่งคิดคิดปรุงปรุงแต่งไปเรื่อยเออตอนนี้ชาวบ้านคงจะถูกยุยงจากคนอื่นให้รังเกียจเราทำให้ความสําคัญแก่เรา ไม่ให้ธนุบำรุงด้วยจหตุปัจจัยแก่เร า, เาผิดกับเมื่อก่อนคิดปรุงตัวเองนะฮะพอคิดปรุงตัวเองเราจะก็เขินจะรู้สึกกระดากกระเดื่องภายในใจตัวเองพอเกิดเขินก็คิดฟุ้งไปใหญ่เลยคิดฟุ้งไปอุตรดไปหมดพอฟุ้งก็จะไม่สมรวมจะงุดหงิดจะรำคาญตัวเอง แล้วก็โกรธคนอื่นนิดๆ ด, ด้วยนะฮะแล้วราคาญตัวเองนิดๆ ด, ด้วยพอไม่สารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิอันนี้เป็นหลักการใหญ่นะคือมาเองประทับใจประทับใจอวาตนีมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเนนนะฮะตั้งแต่เป็นเนนเราอ่านแล้วแต่ว่าพอหาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็หาอยู่นานยิ่งจะเจอก็ พอมาเห็นข้อความเหล่านี้ตามที่สมเด็จพระมหาสมณะเรียกว่าเกือบลอกไปเลยเกือบลอกไปทุตัวสอนเลยเอาไปไว้ในอนุพุทธประวัติก็ยังคิดฝันมานานนะว่าถ้าเราจะเรียบเรียงประวัติของพระเถระสักสามสี่รูปหรือว่าอย่างที่เอามาพูดแล้วเนี่ยนะเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ แล้วก็ในเชิงวิจาร์ในเครื่องเชิงวิเคราะห์วิจารเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปเป็นวิธีการเรียนธรรมะจากชีวิตจริงของคนระดับพระอรหันต์นั่นก็จะ น, น่าจะได้ประโยชน์แต่ว่าจังหวะโอกาสมันไม่ค่อยมีให้ทำแต่ น, นั้นเองก็ต่อไปท่านรับสั่งว่า เพราะฉะนั้นแหละโมฆะลานะเธอเพิงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากไม่พูดคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่งเฉียงกันอะไรก็ตามถ้ามีข้าวจะเถียงแล้วก็เลิกพูดเลยไม่ต้องเถียงกันหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ความเห็นตรงกันเนี่ยไม่ต้องเถียงกันอยู่แล้วคนที่เถียงกันนั้นแสดงว่าความเห็นขัดแย้งกัน ถีงกันไปก็เท่า น, นั้นเองแหละไม่มีใครยอมใครหรอกเพราะต่างคนต่างก็เชื่อว่าตัวเองถูกต้องมีคนมาพูดเป็นทำนองให้ไปช่วยพูดกับพวกแสดงอยู่เพิ่รัฐบาลบอกโอ้ยอะตมาเด็กเกินไปเล็กเกินไปเราไม่มีพลังอะไรที่จะไปพูดหรอก ความเห็นไม่อยู่คนละมุมต่างฝ่ายต่างถือว่าตัวเองถูกต้องเราไม่มีใครที่จะไปพูดให้เขายอมจำนนได้แล้วเพราะต่างคนต่าง ก, ก็อัตราใหญ่โตด้วยกันทั้งนั้นมันก็เหมือนกับท่กี่ความเห็นในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าตัวหลักๆมันก็มีไมกี่ข้อหรอกแต่คนก็เถียงกันมาตั้งแต่โบราณจนเดี๋ยวนี้จะตายเกิดตายสูญอย่างเงี้ยเราเถียงกันอยู่อย่างเงี้ย แต่การที่เถียงนี่แสดงว่ารู้ไม่จริงเดือกันทั้งคู่เพราะถ้ารู้จริงแล้วไม่เถียงใครก็ตามที่พูดแล้วเถียงกับคนอื่นเนี่ยแสดงว่ารู้ไม่จริงเดียกันและส่วนใหญ่ก็จะใช้สัญญาคือความจำไม่ได้ใช้ปัญญาคือความรอบรู้มันเถียงกันอยู่นั่นแหละรับสั่งว่าดุกรโมคะลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหล เมื่อมีถ้อยคําซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเทียงกันก็ต้องพูดมากพูดกันแล้วพูดกันมีพูซ้าพูซากนะคล้ า, ายๆกับคนที่ด่ากันที่คนก็เล่าฝังนานมาแล้วว่าในจังหวัดแห่งหนึ่งมีการประกวดพราะว่าจะ ก, การประกวดคนที่ด่าได้เก่งมากของจังหวัด ก็ตั่งกรองมาจากระดับตำบลก่อนด่ากันในตำบลก่อนแล้วก็ด่ากันมาในอำเภอแล้วเลือกตัวเอกอะตัวที่ใช้เวลามากที่สุดในการดา่าโดยข้อความไม่ซ้ำมีข้อแม้ว่าให้ด่าได้เต็มที่คำหยาบคายยังไงด่าไปเลยแต่ว่าคำซ้ำไม่ได้แล้วเขก็ตั้งในกาดูเวลากัน มาจนถึงระดับจังหวัดเนี่ยปรากฏว่าได้ผู้ชายประคนนะผู้หญิงมาคนถือว่าสุดยอดของการดา่าดาคนเดียวนะฮะอีกข้อแม้ว่ายืนด่าอยู่คนเดียวก็ดีก็นั่งฟังเป็นกรรมการก็นั่งยิ้มกันเนี่ยนั่งนับกันดูเวลากันปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยด่าไปได้ห้านาทีหมดภูมิเลยคำด่ามันหมดนึกไม่ออกละ่ะ ผู้หญิงเก่งกว่าด่าได้เจ็ดนาทีตกลงผู้หญิงชนะเพราะในการที่คนด่ากันไปด่ากันมาได้สามวันเจ็วันเนี่ยที่จริงไม่มีอะไรนี่ยคำมันจะซ้ําเยอะเลยซ้ํากันแล้วซ้ำกันอีกดา่าโยนไปโยนมาโยนมาโ ย, ยนไปอย่างนั้นเองอะ่ะแต่ทีนี้ถ้าเขาเถียงมาเราไม่เถียงอะ่ะเราเถียงมาเราไม่เถียงก็จบเราไม่ต้องพูดมากเขาพูดมากเขาอยากจะพูดก็พูดไป ก็ปล่อยเขาพูดไปแต่ถ้าเราไปเถียงด้วยในถุดมันก็พูดมากพูดมากมันก็คำกันซ้ําคําฝ่ายเราพูดฝ่ายโน้นก็ไปพูดข่ายขวายฝ่ายโน้นพูดายเราไปเอามาพูดก็พูดกันไปพูดมาแล้วก็ไม่ได้เรียนทีนี้พอพูดมากเนี่ยมันจะคิดมากความคิดมันจะฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านมากมันก็จะไม่สํารวม เมื่อไม่สมรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิเอาเลิดเข้าป่าเลยกิเลสฟุ้งขึ้นมาจนหลุดสมาธิหลุดเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นนเพราะว่าในแนวนี้มีไม่มากหรอกฮะมีไม่มากหรอกที่ทรงประทานพระว่าดพิเศษพิเศษอย่างเนี้ยมีไม่มากแล้วก็ ก็ต่อไปรับสั่งว่าดุกอน์มคลานะอนึ่งเราหาสันเสริญความครุกครีด้วยประการทั้งปวงไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สันเสริญความครุกครีด้วยประการทั้งปวงก็หามิได้คือเราไม่สันเสริญความครุกครีด้วยหมู่ชนทั้งเครือขและบัญชิตคือหมายความมาครุกครีระหว่างคนกับคนที่ไม่เป็นกิ จ, จลักษณะ เพราะว่าชาบ้านเวลาจับกลุ uh ่มคุยเนี่ยมันเริ่มจะไม่มีสาระเพิ่มขึ้นแล้วครุกคีโดยการ ด, มมาร ด, ดารูมันก็มีปัญหาในการยินดียินได้ครุกคีโดยการฟังก็มีปัญหาในการยินดียินได้ครุกคีในการกินร่วมอยู่ร่วมไปร่วมมาร่วมนั่งร่วมนอนร่วมมันก็จะมีปัญหาในเรื่องยินดียินได้คุกคีโดยการกินอยู่มันก็มีปัญหาเรื่อง ความยินดียินได้คือหมายความว่ามีปัญหาเรื่องกิเลสอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นก็กิเลสสองตัวส่วนใหญ่ก็คือราคะกับโลภะราคะกับโลภะต่ำไปต่อมา ก, ก็เป็นโทสะเอาราคะโลภะโทสะราคะโลภะโทสะแล้วก็อพอมาเข้ามันก็กลายเป็นโมหะเพราะว่าเราก็จริงเราไม่รู้จริง จริงเราไม่รู้จริงเปล่นวิธีตัดประเด็นตั้นต้นข่าวตัดรากงาของปัญหาก็คือว่าจะไม่พูดถ้อยคำที่เป็นเหตุเทียงกันเพราะเทียงกันแล้วมันต้องมมันคือม่ไม่คุม้มครีดด้วยหมู่คณะทั้งขดระดับบัญชี หมายความว่าการครุกคลีอันใดที่ครุกคลีไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสัรเสริญการครุกคลีในลักษณะนั้นทีนี้การครุกคลีในลักษณะใดเมื่อครุกคลีไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมไป ธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่มจเจริญเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นพระเจ้าก็ทรงสรรเสริญการครุกคีในลักษณะนั้นคุกคียังไงเช่นการฟังธรำตามการการสนทนาธรรมตามการการปฏิบัติธทำตามการการตรึกนึกถึงทำตามการการค้นคว้าศึกษาธรรมะตามการการสาธยายธทำตามการเป็นต้น แล้วก็รวมถึงสถานที่เจ่นว่าการครุกคีโดยเสยนาสนะอันเงียบเสียงไม่อื้ออึงช่วยเกิดกายาวิเวก ค, คือความสงัดในทางกายแต่ด้านการอยู่การอาศัยเรื่องนี้มีความจะเป็น อ, อย่างพระพุทธเจ้าของเราเองก็ก็จะสัตรุ ประเด็นที่สุง ม, มองครั้งแรกก็คือเสนาสนะที่จะใช้ในการมาเป็นเพียรทางจิตเพราะการมาเป็นเพียรทางจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถกรรมฐานนั้นมีเสียงเป็นขั้นศึกอย่างแรงก็เลือกตามวณรูปเวลาเสนานิคมเหตุผลก็คืออยู่ใกล้แม่น้ำนิรันดิราสะดวกต่อการอาบน้ําอาบท่าการล้างเนื้อล้างตัว การล้างผาชนะอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยสะดวกไม่มีปัญหาเรื่องน้ําแล้วก็กลางวันนี่คนไม่ปลุกพล่านเพราะมันไกลบ้านเมื่อไกลบ้านกลางคืนก็ไม่มีเสียงมาจากบ้านคือไม่มีเสียงรบ ก, กวนแต่วบ้านก็ไม่ไกลจนเกินไปตื่นเช้าก็สามารถเข้าไปบิดาบัดในหมู่บ้านได้ มันจะเดินกันเป็นสิบสิบกิโลแล้วก็กลับมาเมื่อยล้าไม่สามารถจะเดินกันมาฐานได้ร่างกายไม่เล่นด้วยก็เรียกว่าสัปปายะคือเสนาสนะสัปปายะเพราะฉะันสันเสริญการที่นั่งที่นอนอันสงัดเงียบและทางฝั่งเอาสังเกตว่าเสร็จจากนี้หลังจากนั้นมาอีกเจ็ดวัน หลวเจ้าก็มาแสดงอวารปาติโมกปันตันจะศยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดแล้วอนุปวาโดวงุปคาโตไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายก็แบบเดียวกันนี่แหละก็หมายความว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่มีความสำคัญในการศึกษาทำปฏิบัติทำตามหลักของพระพุทธศาสนา รับสั่งว่าก็แต่ว่าเสนาสนะอันใดเงียบเสียงไม่อื้ออึงประจากการสัญจรของหมู่ชนคือคนไม่ได้ไปมามากๆกผู้คลัน่นควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดตันนั้นกายได้ที่สงัดพอเราเริ่มปฏิบัติศีลสมาชิ การกระทำทางกายเราก็สัดการพูดทางวาจาก็สัดมันก็เกิดปัญหาที่ใจตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นที่หลีกเร้นเราสันเสริมการคลุกคลีเสนาสนะเห็นปานนี้งพุทธสนาสันเสริมการวิเวกการหาความวิเวกแก่แก่กายวาจาใจ ความสงัดกายสงัดวาจาสงัดใจเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ตามก่อยแสวงหาสถานที่ในลักษณะอย่างนั้นเพื่อตนเองได้เกิดความสังกัดกายสงัดวาจาและสงัดที่ใจเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์อย่างนี้ท่านประมาโมฆะลานะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยข้อปฏิบัติเพียงไหรหนอภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสาเร็จล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็มีประเด็นสี่ประเด็นนะฮะด้วยข้อปฏิบัติเพียงไหรหนอภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาทีนี้การหลุดพ้นเนี่ย มันเป็นผลมาจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะเทียบมันก็คือหลักของการไม่ทำบาปตั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การดำจิตได้ปองแพ้วตามที่ทรงแสดงในวาตะปาติโมกนั่นเองเมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่าชั้นศีลเองกิเลสตัณหามันก็สงบไประดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ไม่ล้ําเส้นไปละเมิดสิทธิของบุคคลหรือพอระดับสมาธิไอ้ตัณหามันก็สงบไปอีกระดับหนึ่งไม่เกิดขึ้นกรุ่มรุมจิตให้คิดไปด้วยอํานาจของสิ่งที่เรียกว่านิวนรณ์เราสังเกตนิวรณ์มันก็คืออาการของตัณหานั่นเองกัตัณหาสามนั่นแหละแต่ท่านเบียกในานามของคําว่า น, นิวรณ์ทีนี้ถ้าหาว่าสมบูรณ์ ตระหามันก็หมดสิน้นตระหามันก็หมดสิน้นประเด็นตรงนี้จึงถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่ว่าภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัะหามีความสําเร็จล่วงส่วนคือสําเร็จเลยไปเลยสิ่งต่างๆที่มันมีไปก็เป็นโลกุตระแล้วก็มีที่สุดล่วงส่วนคือไม่มีไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีกิจที่จะต้องทาต่อไปแล้วกิจในทรานองเดียวกันนั้นไอ้กิจในการละตันหาก็หมดแล้วกิจในการปฏิบัติธรรมะเพื่อความดับแ่งตันหาก็หมดแล้วก็เรียวกว่าถึงที่สุดล่วงส่วนแล้วเข้าถึงเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทีนี้ปริยายตรงนี้ก็แล้วแต่จะแสดง อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคตโยเซโทชเดตัสว no, ิงเยกตปฏิซาลีโนวิชาจนาสัมปโนโซเซโทเดวมานุสเซในหมูค่คนได้ยังถือชาติถือโคตกันอยู่กษัตริย์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด แต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะถ้าจะเอาเต็มที่อธิบายให้เต็มที่ก็จะอธิบายตามหลักของจรณะสิภาวิชาแปดก็ได้แต่ว่าจะประเด็นง่ายๆนะฮะจะณ่าสิภาวิชาแปดมันก็คือนี่แหละ ก็คือการไม่ทำบาปทั้งบวงการทำกุศลนั้นสมบูรการทาจิตให้ป่องแพ้วนั่นเองตัวนี้เป็นจรณนะแล้วเมื่อจิตปองแพ้วมันก็เกิดเป็นวิชาแปดขึ้นมาก็กลายเป็นวิชาแปดหรือจะพูดแนวอริยมรรคเป็องแปดก็ได้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระวจ้าทรงแสดงว่า ดูก่อนโมฆะลานะภิกษุในธรรมในนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเนี่ยเป็นประเด็นที่หลวงพ่อพุทธทาสอมพูดบ่อยอะก็มาจากตรงนี้นะามาพูดบ่อยได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเน้นที่อะไรอะเน้นที่ขันหน้า ตรงนี้ต้องฟังก็จะนึกกลับไปที่อนัตตลกกนสุทธอนัตตลกกนสุทธนั้นต้องการการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันโดยหน้าความรู้สึกว่านั้นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นทรงสแสดงโดยสรุปนะ โดยสรุปก็คือสรุปขันห้าโดยแสดงจากอัตตาอนัตตามาก่อนถึ่งตามปกติแล้วจะแสดงเทียนิจอยงทุกขังอนัตตาแต่ในพระสูตรนี้ทรงแสดงที่อนัตตามาก่อนว่าดูก่อนพิกษูตทั้งหลายขนาหาเป็นอนัตตาโดยสรุปนะ ถ้าขันห้าจะเป็นอัตตาตัวตนแล้วขันห้าก็จะไม่เป็นไปเพื่ออภิภัตและสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ในขันห้าตามใจหวงังขอขันห้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอขันห้าของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยทําไมจะต้องมองอย่างนั้นเนี่ยเพราะการที่เราไปเข้าใจอย่างนั้นเราเข้าใจโดยที่ถูกปาฏฐานคือยึดมั่นถือมั่นโดยหนะ้าคนชิดชิ ว่าขาน่าเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันเราเดือดร้อกนกับการเปลี่ยนแปลงของขันห้าตลอดบอเราต้องการในมันยั่งยืนไม่แปรผันท า, ทางที่รู้แสนรู้เนี่ย้าที่รู้แสนรู้ทางที่สตดแสนสวดสว ด, ดกันละสวดกันอีกแต่เราก็มุ่งหวังในลักษณะอย่างนั้น แต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนี้นแต่เพราะขน่ามันเป็นอนัตตาขนาจึงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ตั้งหลายก็ไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอขาน่าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิขอขาน่าของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเถดจากนั้นก็รับสั่งถามเพื่อให้ถ่ายถอน อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ในพระบาลีตรงนี้เรียกกาหะก็เหมือนกันนั่นแหละก็แปลความยึดถือความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจอะไรด้วยอํานาจตัณหาด้วยอํานาจมานะด้วยอํานาจทิฏฐิถ้าเรียกกาหะนี่จะพูดสามข้อนี้แต่ถ้าเรียกอุปาทานเนี่ยจะพูดสี่ข้อคือการมุปาทานยึดมั่นด้วยอํานาจความใคร่ ทิฏฐุปาทานยึดมั่นเดิมหน้าคอนทิฏฐิศีลพะตุปาทานยึดมั่นเดิมหน้าคอนศีนวัดต่างๆและอัตบารุปาทานยึดมั่นถือมั่นเดิมหน้ามาทะวัดตนเป็นตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนตนมีในขันห้าขันห้ามีในตนท่ก็จะยึดถืออย่างนั้นแต่ยา น, นในนัตตลกะันสุจะพูดในแนวกหะ ประเหตนั่นแหละภิกษุทั้งหลายคณะอย่างใดอย่างหนึ่งคณะเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นเช่นไหนคณะเที่ยงหรือไม่เที่ยงบรญญาคีก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเลา่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ จิงใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมเช่ที่เราจะไปยึดถือว่าขันห้านั้นเป็นของเราขันห้านั้นเป็นเราขันห้นั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นเราก็หมายความยึดถือด้วยอำนาจตัณหาเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นก็ยึดถือด้วยอนาจมานะและเป็นตัวเป็นตนของเราก็ร่วยาหนาก่อนทิชิต ก็สรุปว่าตัณหามาณทิตติที่ถปัญญวิเคีาะ์เขบอกว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งสรุปว่าเพราะเหตุนั้นและพิสุทั้งหลายคาน้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดี ขานั้นก็สาวแต่ว่าขาน่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อนเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ตามความเป็นจริงที่แท้จริงนี่มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่เป็นอย่างที่เราให้เป็นแต่มันจะเป็นอย่างที่มันเป็น แต่เราก็พยายามบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราอยากเป็นเราไม่อยากแก่เอา้ามันจะแก่ล่ะเราไม่อยากเจ็บมันจะเจ็บเราไม่อยากตายมันจะตายเราไม่อยากพลาดพลาดมันก็ต้องพลาดพลาดเราต้อตงการจะบังเกิดในสวรรค์เอา้าไพรไปเกิดในนรกพูดกันไม่รู้เรื่องสักเรื่องหนึ่งอยู่กันมาชั่วนาตาปีนี่พูดกันไม่รู้เรื่องเลย คนแต่ลคนเสียเงินเสียทองปนปลื้มำรุงบำเรอร่างกายกันโดยวิธีการต่างๆรนึกว่าจะพูดกันรู้เรื่องเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็พูดกันไม่รู้เรื่องรับสั่งต่อไปว่าครั้นได้สดับดังนั้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครั้นรู้ชัดธรรมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงก็กําหนดรู้ธรรมทั้งปวงอย่างที่ว่าว่าขาน่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือปัญญารู้ชอบรู้ชัดเนีรู้ชัดธรรม ท, ทั้งปวงด้วยปัญญา ว่าขนาน่าไม่ใช่ของเราขนาน่าไม่ใช่เราขนาน่าไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ต่อไปเป็นยังไงก็ทรงแสดงไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอนิยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อเบื่อนายในรูปเบื่อนายในเวทนาเบื่อนายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณ มือเบอนายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้แต่รู้ชัดว่าจาตสิ้นแล้วประมัญจย์ได้อยู่จบแล้วกิจทีควรทำได้ทาเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีวนข้อความตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าเคยแสดงแก่ปัญญคีมาแล้วแต่พระโมคลลานะท่านกราะทุนถาม กต่กระต้นถามก็ทรงมีวิธีอธิบายมีวิธีอธิบายที่สอดรับกับพื้นฐานของท่านทำไมจึงมาที่สเบธมานารังเป็นนเวสายะตามตั้งัวไม่ควรยึดมันหรือมันนเราก็กลับไปตั้งเ น, นืตั้งแต่ข้อแรกคืออย่าชูงวงเข้าไปถือตัวเข้าไปสู่สกุล นั่นก็แสดงว่าทรงรู้ว่าโดยพื้นอัธยาสัยเนี่อัตตาท่านใหญ่ก่อนที่จะบรรลุโสดานะฮะอัตตาท่านใหญ่ต้นคําสอนมันก็ามาตอบรับกับอัธยาสัยของท่านแล้วก็ไปเถียงกันเนี่ยมันเถียงคนอัตตาใหญ่ไม่ได้อัตตาใหญ่เนี่ยเขาต้องถูกนะคนเนี่ยอัตตาใหญ่เนี่ยเขาต้องถูกเขาไม่ผิด ถ้าใครว่าเ็าผิดเ้าทุกโ ต, ต๊ะต้องยอมาอกเขาถูกนี่คือคนตายและที่จริงก็สัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วทฤีการรุกรีมก็อีกอะ่ะก็นำไปสู่ราคะนำไปสู่โลภะนำไปสู่โทสะนำไปถูกโมหะเพราะอะไรเพราะใจเราไปยึดมั่นถือมัน่น ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราบ้างข้อแรกข้อแรกเนี่ยยึดมั่นในตัวตนข้อที่สองก็ยึดมั่นในตัวตนข้อที่สามเราจะเห็นว่าเราก็ยึดมั่นในตัวตนแล้วเมือเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นความเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาผลข้อที่นี้มันก็มันก็มาสอดคล้องกับข้อเดิมหมายความมาสอดคล้องกับสามข้อข้างบนอดคข้อกั สมข้อข้างบนที่ต้องการจะให้บรรเทาตัณหามาณทิฐิ่ลงไปโดยมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเกณฑ์แต่อย่าลืมาท่านถามผลสูงสุดไว้ตรงกลางแล้วว่าจะทำยังไงโดยข้อบิดเบ็เพียงไรหนอภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความก็สำเร็จล่วงส่วนมีที่สุด ล่วงส่วนประเสริฐสุดว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทายได้ถามมาแล้วจะนี้ว่าทํายังไงอะ่ะจะเป็นอย่งงางนั้นได้อะ่ะตัณหามันจะหมดไปได้เป็นประเด็นปนัญหานี้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ทรงอธิบายแต่ว่ายังยังมีประเด็นเยอะนะยังมีประเด็นอยู่อีกเยอะต้องฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิจาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาพียงเทนี้ ี่สุทธนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี